วัครับนี่เปของแก้เรื่องเงินทองเมื่อวานนะครับว่าพระรับเลยไหมถ้ามีโยมเข้ามาถวายเงินท อ, องล้ากรณีธรรมดานี้คือจะรับไม่ได้แต่มันจะมีกรณีที่มันไม่ไม่ควรปฏิเสธก็มีให้บอกว่าก็ถ้าว่าพวกเขาไม่ระดูสงข์คณะหรือบุกคนไม่มีการะาระดูตัวบุคคลมาเพท่อว่าสงข์คณะหระบคุคค เขากล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถว า, ายเงินและทองนี้แก่เจดีย์ถว า, ายแก่วิหารหรือว่ามไหวนนะครับถวายเพื่อบบนวักกรรมเนี่ยเจดีย์วิหารนวักกรรมไม่มีการแตกต้องตัวบุคคลนะครับดังนี้จกกะปฏิเสธไม่สมควรเราไม่ปฏิเสธไม่ควรปฏิเสธนะครับแต่ก็ไม่ได้รับเองโดยตรงมีวิธีทํายังไงถ้าบอกว่าคือบอกแก่พวกกับปิยตาโลกว่า ชนผู้นี้กล่าวค น, นี้แล้วก็บอกว่าอย่างเราไปก่อน ว, ว่าโยมนี้เขาบอกนี้นะเออเรื่องธรรมมาถวายให้เจดีให้ว่าให้ในว่าการนครับแล้วก็บอกไปทำเช่นนี้นะครับอันนี้นีย่ยเช่นก็พอสอง้อได้นะถ้าเดโยวเขาบอกจะถวายฆ่านักฆ่าตายมันไม่มีตัวคนที่เป็นฆ่านักฆ่าตายถ้าไม น, นเราบอกบอกว่าสงฆ์นบุพคพ น, นะเขาบอก ไมบอกมายายวจิการตรงนะเพราะมายาไม่อยู่แถวนั้นใช่ไหมครับคุณผี้หญิงคุมผมเลกยต้อกลับบ้านนะผมนักอยู่ข้างล่าใช่ไหมทีนี้ก็มีวิธีทางของะะเราก็บอกว่าให้เขาไปถามลองไปถามดู่ให้เขาไปถามดูข้างล่างดูเรากไ็ได้เชื่อไม่ได้ระบุตัวมายายเพราถ้าบอกมายาตวจิการเขาต้องถามมาก่อนน ะ, ะว่าใครเป็นมายายท่าน เขาไม่ถามเราบอกไม่ได้แต่แ๋ยเราก็ใช้บอกว่าทลองนี้ก็ให้เขาไปถาเให้ลองนี้ก็เขาจะไปตอกลงกันเอง <c oughs> แต่ว่าถ้าเขา้าถวายกรณีนี้เขาเข้าเขานี้นว่าท่านทั้งหลายจงรับเก็บให้เนี่ยจะให้เราเก็บใช่นะเพื่อประโยชน์แ ก, เก่เจดีเป็นต้นเถิดพึงปฏิเสธว่าการที่พวกพวกเราถวายไม่สมควร ฟ้าเก็บไว้จะถวายเพื่อเจดีนะแต่ให้ฟ้าเก็บไว้เพื่อเจดีไม่ได้แต่ถ้าในกรณีนี้ไม่ได้มีบอกว่าให้ฟ้าเก็บไว้นะบอกเลยจะถวายเก็บเจดีแต่ริหารเก็บน้ำกรรมอันนั้นที่ที่ให้เขาจะถามมาญาติเขาแก้เรื่องเรื่องท้องวานนะเรื่องท้องวาน กาพวเ ส, สนชันน์วิถหรือว่าแวัน